พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุถกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาสห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์ ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ปริวาสห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่ภิกษุอุทายีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้น ขอปริวา่าดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันสง์ได้ให้ปริวาดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวา่าดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัว